ก่อนที่เราจะเลือกไปรับอาหารก็อยากจะพูดถึงเรื่องการรับทานอาหารให้ฟังนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปนั่งทานด้วยกันแต่ว่าจะฝากวิธีการพิจารณาไว้ว่าวิธทานอาหารนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ทานเหมือนกับ หย อ, อดน้ำมันยอดน้มันเผาเกวียนท่านเปรียบสมุอนว่าเกวียนร่างกายของเราเนี่ยเหมือนเกวียนมีวัวสองตัวตัวซ้ายตัวขวาตัวซ้ายคือสติตัวขวาคือปัญญา ก็คือนําเป็นมนือนวัลากเวียนไปทีนี้ล้อทั้งสองนี่เปรีเสมือนหนึ่งความเพียร น, นะความเพียรที่เราแยกเป็นสองฝ่ายนะความเพียรฝ่ายเกิดกับความเพียรฝ่ายดับความเพียรฝ่ายเกิดก็คือเพียรระวังและเพียรละเป็นล้อหนึ่ง นะแล้วก็เพียนไฟดับคือเพียนที่จะทำให้ความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นแล้วก็รักษาความรู้สึกตัวนั้นเอาไว้นี่ความเพียนไฟดับเป็นล้อให้หมุนไปล้อที่หมุนไปมีกำลังรูปนามเปรียบเสมือนเกวียนตัวเกวียนที่มี อ่าลอเขาเรียกว่าอะไรตัวเชื่อมระหว่างแอกกับตัวเกวียนเขาเรียกกันคือลูกกับน้ำจิตคือคนขับเกวียนถ้าว่าคนขับเกวียนนี้หยอดน้ํามันรถหลืว่านเผาเกวียนมากเกินไปก็จะทําให้เกวียนนี่หลวมเดินไม่ตรงทาง แต่ถ้าหากว่าหยอดน้ำมันน้อยเกินไปหรือไม่หยอดก็ทําให้เผาเกลียนฝืดแล้วก็เดินขัดไม่มันไปกัดกันระหว่างเผาเกลียนกับลอ้อเกลียนแล้วก็ทําให้ล้อฝืดด้วยทะ น, นั้นเองท่านบอกว่าหยอดน้ํามันเนี่ยคือการรับทานอาหารถ้าหยอดมากเกินไปมันก็คือความ ย, อยออ่อหย่อนอึดอาดไม่คล่องตัว มีความง่วงความเงาความเบือ่อความขี้เกียจก็ครอบงำเหมือนเกวือนที่ก็อืดอัดนะแล้วก็หลาหลวมนะถ้าหยดน้อยเกินไปทําให้เกวียนนี้ฝืดนะเบียดกันซึ่งกันและกันทําให้เผาเ ก, กลียนกับเราเกลียนบทอัดกันทําให้เผาเกลียนสึกได้ท่า น, นบอกว่าให้หยดน้ามันแต่พอดีก็ทําให้เผาเกลียนไม่หลวมเกินไป แล้วก็ไม่เกิดความบดอัดที่ทำให้สึกง่ายอันนี้อุปมาที่หนึ่งพนะ น, นั้นจิตเป็นผู้ขับเกวียนเนี่ยต้องคอยอประคับประคองให้โคทั้งสองตัวทั้งซ้ายและขวาคือสติสมัมปชัญญะเนี่ยให้เดินไปตรงทางก็เลยเป็นสมาถสติและสมาสมาธิ ทีนี้ความเพียนทั้ง4ประการเปลียนเส ม, มือนว่าฝ่ายเรือสองคือฝ่ายเกิดกับไฟดับไฟเกิดหมายถึงส่วนที่เป็นล้อข้างซ้ายฝ่ายดับเป็นล้อข้างขวาต้องให้สมดุลกันเมื่อความทัดกว้า ง, งกนันก็จะตกล้อไปแคบเกินไปมันก็จะเบียดทาง รักษาความสมดุลระหว่างการเกิดการดับพอดีหมายถึงว่าการเกิดการดับของหนักเบาการเกิดกำลังกำหนักของสบายและไม่สบายการเกิดการดับของอความรู้สึกและความไม่รู้สึกให้สมดุลไปอย่างนี้เรื่อยๆก็จะทําให้เกวียนไปถึงเป้าหมายนิ้วประมาณที่หนึ่งถ้าเปลือกสมุนทึ่งน้ํามันหยดเกวยน อุปมาที่สองือการรับประทานอาหารปริยัท่านตรัสว่าเหมือนกับสามีภรรยาที่จะต้องย้ายบ้านจากเดินทางจากทางไกลจากบ้านของตัวเองย้ายไปหาพ่อแม่ที่จะย้ายจากบ้านพ่อแม่ไปหาบ้านตัวเองเนี่ยจะต้องเดินผ่านทะเลทราย ในซึ่งสองสามีภรรยาเนี่ยเพิ่งเกิดบุตรน้อยไม่กี่ไม่กี่เดือนจึงจำเป็นต้องอุ้มต้องหอบไปด้วยทั้งสัมภาระที่เนื่องจากว่าเดินผ่านทะเลทรายระยะกว้างไกลเมื่อไปถึงกลางทะเลทรายแล้วเกิดสเสบียงหมดที่เตรียมไปมันหมดพร้ะทะเลทรายเนืหาอะไรกินไปอาหารก็ไม่ได้สามีภรรยาทั้งสองก็จะมาปรึกษากันว่า ถ้าเราทั้งสามคนเดินทางต่อไปเนี่ยก็จะตายไปทีละคนละคนในที่สุดก็จะไม่รอดสักค น, นเพราะฉะนั้นในสามคนเราคนใดคนหนึ่งจะเป็นต้องสละชีวิตสักคนหนึ่งเพื่อเป็นอาหารแล้วก็จะรอดสองคนถ้ารอดไปสองคนเนี่ยถ้าลูกรอดไปกับแม่ก็จะเลี้ยงไม่รอด ลูกเลี้ยวลรอดไปกับพ่อก็จะเลี้ยงไม่รอดแต่ถ้าพ่อรอดไปกับแม่ก็จะมีลูกใหม่ได้เพราะฉะนั้นสามีภรรยาทั้งสองคนปรึกษากันแล้วก็ก็ฆ่าลูกเป็นอาหารท่านบอกว่าสองสามีภรรยาจะทานเนื้อบุตรเป็นอาหารเนี่ยรู้สึกอย่างไรเราทั้งหลายที่รับทานอาหารก็ให้ทำความรู้สึกอย่างนั้น ว่าเหมือนเรากินเนื้อบุตรถ้าโยคียได้พิจารณารับฐานในลักษณะนี้แล้วก็จะไม่เกิดนิวรต่างๆจะเกิดความเบาสบายนะแต่ถ้าหากว่าเราเกิดกินเนื้อบุตรด้วยความมเ็อร่อยไม่แน่สามีอาจจะฆ่าภรรยาอีกคนหนึ่งเพื่อเป็นอาหารก็ได้เนะฉนนั้นเองอันนี้ท่านให้ ทำใจอย่างนั้นอาสามีภรรยาค่นั้นต้องทานเนื้อบุรเป็นอาหารด้วยน้ำหูน้ำตาและด้วยความกล้ามกืนเป็นอย่างยิ่งจะหาความเลิศอร่อยไม่ได้เลยแต่จาเป็นต้องกินเพื่อการอยู่รอดจากการเดินทางแทนที่จะตายกลางทะเลสายทั้งสองคนหรือทั้งสามคนเมื่อสามีภรรยาอดรอดประดากัสามีภรรยานั้นก็สา ม, สามีสามารถมีลูกใหม่ได้ ใช่ไหมโยมโยมผู้ชายที่นั่งแถวที่สองชื่ออะไรหลังคุณวิทยาเขายังไม่ตื่นเลยอ่ะรูปหลังเขาหน่อยหลวงพ่อเล่าเรื่องอะไรเล่าให้ฟังหน่ยอยสิห่วงแม่ก้องหิวมากใช่ไหมอย่าลืมว่าหลวงพ่อพูดเนี่ยใครนั่งหลับไม่ได้นะหลับหลวงพ่อจะเห็นทันทีเลยนะแล้วก็จะปลอบเอาบัติ ให้เล่าเรื่องที่หลวงพ่อพูดไปเมืเ่อกี้หลวงพ่อพูดเรื่องอะไรเรื่องสุดท้ายฮะเรื่องสุดท้ายที่หลวงพ่อเล่าหลวงพ่อเล่าเรื่องอะไรทะนั้นเพล น, นี้ไม่ให้ทานข้าวแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายจะนับประกม่วงอีกนะปอบอาบัตรมาให้ทานข้าวตอนเพลงเพราะฉะนั้นก็ลองไปศึกษาดูนะ หูงพ่อบอกให้เปิดขวดจะได้เทน้ำลงขวดได้อันนี้ปิดขวดเฉยเล ย, เลยน้ำไม่เข้าขวดเลยนะห้ามมาดื่มไม่ได้เร ะ, ะกลับพร่าพร้อมกัน